วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเหมือนกับตำราบอกชะตาชีวิตของพวกเราบอกอนาคตของพวกเราว่าอนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไรจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะเจริญหรือจะเสื่อมพระพุทธศาสนาคือพระธรรมคำสั่งคําสอน ของพระพุทธเจ้าจะบอกอนาคตของพวกเราได้อย่างถูกต้องแม่นยําส่วนไหนที่เป็นสิ่งที่แน่นอนก็จะบอกสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนก็จะบอกเช่นอนาคตของพวกเราข้างหน้านี้อะไรคือสิ่งที่แน่นอนก็คือความแก่ความเจ็บ ความตายของร่างกายของพวกเรานี่เองเป็นสิ่งที่แน่นอนทุกคนร่างกายของทุกคนจะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายด้วยกันทุกคนและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือเราจะสุขมากหรือสุขน้อย เราจะทุกข์มากหรือจะทุกข์น้อยจะรวยมากหรือรวยน้อยจะจนมากหรือจะจนน้อยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนของอนาคตไม่มีใครที่จะไปกำหนดควบคุมบังคับมันได้บางทีรวยแล้วก็ต้องมาจนก็มี บางทีจนแล้วก็กลับมารวยก็มีเพราะนี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสนาสามารถทำนายได้ทั้งสิ่งที่แน่นอนและสิ่งที่ไม่แน่นอน แล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วาศาสนาก็ยังสามารถทำนายชะตาชีวิตของพวกเราต่อไปได้อีกนะว่าเราจะไปทางไหนกันเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเราเป็นจิตใจผู้ใช้ร่างกายทาอะไรต่างๆ ในขณะที่มีชีวิตอยู่การที่เราจะทำอะไรได้นี้เราต้องมีร่างกายเป็นผู้รับใช้เราเราสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้เราสั่งให้ร่างกายมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรม มานั่งสมาธิทาใจให้สงบผู้สั่งการคือเราผู้ที่รับคำสั่งคือร่างกายของเราเรากับร่างกายจึงเป็นคนละคนกันหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรามีทางเลือกที่จะไปอยู่สองทางด้วยกัน ตามหลักคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งทางเลือกที่หนึ่งคือการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างที่เราเคยทำกันมาเป็นประจำหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนา จะบอกเราจะทำนายอนาคตของพวกเราแต่เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางเดินเหมือนกับเราพอขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงเราก็ต้องเลือกทางว่าเราจะไปทางไหนจะตรงไปหรือจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวา ถ้าตรงไปก็พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางจุดหนึ่งเลี้ยวซ้ายก็ไปอีกจุดหนึ่งเลี้ยวขวาก็ไปอีกจุดหนึ่งผู้ที่จะไปนั้นต้องเป็นผู้เลือกเอาเองว่าต้องการจะไปที่จุดหมายปลายทางอันไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องมาเลือกกัน และการที่เราจะเลือกเราก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่เราจะไปกันว่าจุดหมายปลายทางอันไหนดีกว่ากัน เ, เมื่อเรารู้ว่าจุดที่จุดหมายปลายทางมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีถ้าเราต้องการจุดหมายปลายทางที่ดีเราก็เลือกปลายทางที่ดีกัน ถ้าเรายังอยากจะไปในทางที่เราเคยไปอยู่เราก็เลือกไปอีกทางหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถมาบังคับมาสั่งเราได้เราต้องเป็นผู้บังคับเป็นผู้สั่งตัวเราเองให้ไปในทิศทางไหนดีกว่ากัน การที่เราจะเลือกทิศทางได้เราก็ต้องมีข้อมูลข้อมูลที่ถูกต้องว่าถ้าไปทางนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไปอีกทางหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเลือกไปสู่ทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเจอกับความทุกข์เสมอเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนั้น เป็นแหล่งของความทุกข์นั่นเอง เ, อเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เราก็ต้องไปอีกทางหนึ่งทางที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย อ, าอันนี้คือทางเลือกของพวกเราอนาคตของพวกเรานี่ไม่เป็นอนาคตแบบตายตัว ไม่ใช่เป็นพรมลิขิตหรือชะตาลิขิตแต่เขาเรียกว่ากรรมลิขิตกรรมก็คือการกระทําของเราคือการตัดสินใจของเรานี้ความคิดของเรานี้แหละคือกรรมมโนกรรมเมื่อเราคิดว่าจะไปทางไหนเราก็สั่งไปที่ร่างกายที่วาจาให้ทําตามที่เราสั่งเราก็จะมีมโนกรรม วจีกรรมและกายกรรมนี่แหละคือผู้ที่จะไิกคิดอนาคตของพวกเราไม่ใช่ชะตาชีวิตว่าเกิดวันเสาร์เวลาเท่านั้นบีชงหรือไม่ชงอานาคตจะสุขหรือจะทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้เกิดวันไหนก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน เกิดปีไหนก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันถ้าตราบใดมีการเกิดแล้วจะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมาเสมอถ้าไม่ต้องการที่จะมีความแก่มีความเจ็บมีความตายก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเองยุติการเกิด ทีนี้การจะยุติการเกิดได้ก็ต้องไปค้นหาสาเหตุของการเกิดก่อนว่ามันเกิดจากอะไรการมาเกิดนี้มันมีเหตุพาให้มาเกิดถ้าเรารู้เหตุและเราสามารถที่จะทำลายหรือกําจัดเหตุนั้นได้การเกิดมันก็ไม่เกิดขึ้นได้ เช่นสมัยปัจจุบันเราเรู้ว่าการเกิดเกิดจากการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาถ้าไม่ต้องการให้มีการเกิดก็ต้องมีถุงยางอนามายัยใส่ถุอยางอนามายัยมันก็ทำให้ไม่มีการเกิดได้แต่นี่เป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุ เพราะว่าบางทีถุงยางมันก็แตกได้มันก็ยังทำให้มีการเกิดได้ดังนั้นวิธีที่จะทาให้มีไม่ให้มีการเกิดก็ต้องไม่มีการร่วมหลับนอนกันอันนั้นนนอนกว่าถ้ายัางใช้ถุงยางทำไมหรืออย่างใช้การํำเนิดด้วยการ ทำอะไรทำหมันบางทีมันก็ยังเกิดได้อยู่เพราะบางทีมันมีโอกาสพลาดได้แต่ถ้าจะไม่ให้มีการเกิดจริงๆแล้วต้องไม่มีการร่วมหลับนอนกันแต่นี่เป็นการห้ามการเกิดของคนอื่นไม่ใช่เป็นการห้ามการเกิดของเราการเกิดของเรานี่ มันเกิดจากความอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน เ, เราต้องมาหยุดที่ความอยากนี้ถ้าเราหยุดความอยากมีเพศสัมพันธ์ได้เราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายเพราะการจะมีร่างกายการที่จะเสพมีการ เ, าเสพร่วมหลับนอนกันได้มีเพศสัมพันธ์กันได้ ก็จาเป็นที่จะต้องมีร่างกายเออมื่อมีร่างเมือ่อเมื่อต้องการจะเสพก็ต้องมีร่างกายเมือ่อเมื่อต้องมีร่างกายก็ต้องไปเกิดกันออต้องไปรอให้พ่อแม่คนใหม่ร่วมหลับนอนกันออแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันออพอมีการผสมเชื้อของพ่อขอ ง, ขอ ง, ของแม่รวมกัน ก็จะเกิดมีการสร้างร่างกายขึ้นมาเราผู้ที่ไม่มีร่างกายในตอนนั้นตอนที่เราร่างกายเก่าเราตายไปแล้วเราก็จะเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่จะไปรอรับร่างกายอันใหม่พอมีการก่อสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมา เราก็ไปเกาะติดใช้กระแสวิญญาณของเรานี้ไปเกาะติดที่ร่างกายอันใหม่แล้วเราก็จะติดอยู่กับร่างกายนั้นไปจนคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วพอจเจริญเติบโ ต, ตเราก็ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขที่เราต้องการกันออ ความสุขอันหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์นี่นอกจากนั้นยังมีความสุขในรูปแบบอื่นที่เราต้องการเสพกันคือเรายังอยากดูนั่นฟังนี่อยากริ้มรดดมกลิ่นสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่แหละคือเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันมามีร่างกายกันถ้าเรายัง คิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะยุติความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเรายังไม่พร้อมที่จะยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เราก็มีสองทางเลือกคือเรายังเราเลือกที่จะเวียนว่ายตายเกิดในซีกของภพชาติที่มีแต่ความสุข มากกว่าความทุกข์ที่เรียกว่าสุขคติหรือเราจะเลือกเวียนว่ายตายเกิดในซีของทุกขคติเกิดในซีของที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขที่เรียกว่าอบายเพราะว่าหลังจากที่ ร, ร่างกายของเราตายไปแล้วเรายังจะไม่ได้ไปรับร่างกายอันใหม่ทันที ถ้าเรามีกรรมมีบุญมีบาปติดมากับใจของเราบุญหรือบาปนี้จะดึงให้เราไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าบุญมีพลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้เราไปสู่สีกของสุคติเรียกว่าสวรรค์คือที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายถ้าบาป มีพลังมากกว่าบุญบาปก็จะเป็นตัวดึงให้เราไปเกิดในซีของทุกขติคือในซีของอบายซึ่งมีอยู่สี่ส่สี่ส่วนด้วยกันถ้าไปมีร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่มีร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกชนิดต่างๆ ทุกข์ด้วยความหิวโหยก็เรียกว่าเปรตทุกข์ด้วยความหวาดกลัวก็เรียกว่าอสูรกายทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็เรียกว่านรกนี่คือที่ไปของดวงวิญญาณหลังจากที่ได้ทำบาปไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบาปทำไมต้องทำบาปด้วย ก็เพราะว่าเวลาอยากจะมีความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆบางทีไม่สามารถหามาได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็เลยต้องอาศัยวิธีทำบาปเพราะหาได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าได้มากกว่านั่นเองคนจึงไปป้นไปจี้กันไปลักขโมยกันไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกัน เพราะว่ามันง่ายกว่าที่จะไปทำงานทำการหาเงินหาทองซึ่งกว่าจะได้มาก็ต้องเสียเวลาใช้เวลามากแล้วต้องใช้พลังงานมากใช้กำลังมากทำงานเดือนหนึ่งได้กี่ตังค์ถ้าไปช่อโกงได้ในเซ็นชื่อกักเดียวอาจจะได้มาแบบทำงานสิบปีก็ยังไม่ได้ ถึงมีการชอบคอรับชั่นกันชอบโกงกันชอบรักขโมยกันเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายต่อการที่จะได้เงินทองมาเพื่อจะได้เอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆนั่นเองดังนั้นถ้าสมมติว่าเรายัง อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเยอะเรายังอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่แต่เราไม่อยากจะไปอบายเราก็ต้องอย่าทำบาปกันถ้าเราอยากได้เงินทองก็ให้ไปทำงานทำการที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมาย ถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์ก็ไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมากินกันอถ้าอยากจะมีคู่ครองก็ให้มีคู่ครองตามประเพณีเช่ <Yeah. S 1> นมีการสู่ขอกันมีการรับรู้ระหว่างครอบครัวของสามีและภรรยากันเอ <Yeah. S 1> แล้วอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยา <Yeah. S 1> ไม่ไปยุ่งกับผู้อื่นเอ ถ้อยากจะร่วมหลับนอนก็ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนเท่านั้นอันนี้ก็จะทำให้หลังจากที่ตายไปแล้วจะไม่มีบาปติดตัวไปแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ทำบุญทำทานถ้ามี เงินทองมากกว่าที่จะใช้ได้ใช้ตามความอยากแล้วยังมีเงินทองเหลืออยู่ก็เอาไปทำบุญทำทานไปช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ขาดแคลนการทำบุญก็จะทำให้เรามีบุญติดตัวไปหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็จะ ไปสวรรค์ก่อนไปเป็นเทวดาก่อนแล้วพอบุญที่ส่งเราไปหมดกำลังลงเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะกลับมาหาความสุขจากการเป็นมนุษย์ใหม่หาความสุขจากรูปเสียงเกลดนต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้ ชีวิตของพวกเราทุกวันนี้ก็หาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสนี่เองแต่ก่อนจะหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสได้ก็ต้องหาเงินหาทองก่อนแล้วถ้าอยากจะได้เงินทองมากๆก็ต้องหาอำนาจก่อนหายศหาตำแหน่งก่อนหรือหารางวัลอะไรต่างๆพยายามฝึกฝนตนเองเล่นกีฬาให้เก่ง เมื่อไปแข่งขันกีฬาก็จะได้รางวัลที่หนึ่งก็จะได้เงินมาอย่างง่ายดายได้มามากมายพอได้เงินมาแล้วไม่ว่าด้วยวิธีทางานทาการด้วยวิธีหายศหาตาแหน่งหารางวัลต่างๆพอได้เงินมาก็จะได้เอาไปหาความสุขซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของการหาความสุขของผู้ที่ยังมีความปรารถนาที่จะหาความสุขจากรูปเสียงเกิ่นรอสอยู่ก็ต้องมามีร่างกายช่วงที่ร่างกายแข็งแรงก็ไม่มีปัญหาอะไรมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์อาจจะมีมาบ้างนานๆครั้งเช่นเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเจ็บท้องเจ็บอะไรแต่พอกินยาหรือพักผ่อนสักสองสามวันมันก็หายไปแต่ต่อไปร่างกายมันก็จะต้องชลาภาพลงจะกต้องแก่ลงไปพอมีความแก่เข้ามากำลังวังชาก็จะลดน้อยถดถอยไป สมรรถภาพการทำ ง, งานของร่างกายก็จะลดน้อยถอยลงไปจะกระโดดลดเต้นเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ก็ทำได้ยากขึ้นจะใช้อะไรที่จะใช้กำลังก็มีกำลังน้อยขึ้นจะยกอะไรจะทำอะไรก็รู้สึกหนักขึ้นหนักขึ้นทั้งๆที่ของมันก็เท่าเดิมแต่กำลังวังชามันมีน้อยลงไป แล้วอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเวลาจะเปลี่ยนขยับกิริยาบทแต่ละครั้งนี่รู้สึกว่ามันมีความเจ็บความปวดตามมานั่นแหละคือ เ, เรียกว่าด้านลบของการมาเกิดมันจะมาสแสดงผลในด้านด้านสุดท้ายของชีวิตด้านบ้านปลายของชีวิต เมื่อความแก่เข้ามาเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาทีนี้จะเจ็บบ่อยกว่าสมัยตอนที่เป็นเด็กตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบางทีต้องเข้าโรงพยาบาลทุกอาทิตย์เข้าไปหาหมอให้หมอช่วยรักษาโรคต่างๆแล้วต่อไปก็รักษาไม่ได้ก็ต้องรอความตาย นี่คือทางเลือกที่ผู้ที่ยังต้องการที่จะกลับมาเกิดจะได้จะได้ได้พบนะแต่ก็ยังมีทางทางเลือกสองทางของการกลับมาเกิดเกิดแล้วเกิดอยู่ในสุขคติหรือเกิดอยู่ในเกิดอยู่ในทุกขคติถ้าพยายามไม่ทำบาปเลยหรือทำบาปให้น้อยก็ทำบุญ ให้บุญนี้มีมากกว่าบาปเวลาร่างกายนี้ตายไปจิตใจก็จะไปเกิดในสุกติจะไม่ไปเกิดในอบายแต่ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาตายไปบาปก็จะเดึงใจให้ไปรับผลบาปในอบายหรือในทุกขติ ถ้าไปมีร่างกายก็เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆถ้าไม่มีร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยบ้างที่หวาดกลัวบ้างที่เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ทําบาปว่าทําด้วยเหตุผลอันใดถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ะ เช่นคิดว่าเป็นอาชีพต้องทำมาหากินกระไปลายิงนกตกปลามาเป็นอาชีพไปค่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพเพื่อมาเลี้ยงชีพตนเองเพราะคิดว่ามันไม่บาปเพราะเป็นความจำเป็นนะแต่มันเป็นกฎแห่งกรรมไม่มีข้อ ย, ยกเว้นว่าเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ถือว่าบาปถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้คิดว่าไม่บาป ก็จะไปเป็นเดราาัจฉานเพราะเดรัจฉานเขาทำบาปเพราะเขาไม่รู้ว่าบาปเดรัจฉานนี้เขากัดกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกับเขาเพื่อการอยู่รอดของเขาผู้ที่เป็นมนุษย์แล้วไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อความอยู่รอดของตนเองก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเองพอร่างกายตายไปจิตก็เลยไปเป็นสัตว์เดราาัจฉาน เพราะว่านี่คือกุณสมบัติของสัตว์เดรัจฉานของผู้ที่ทำบาปโดยที่คิดว่าไม่ไม่เป็นบาปหรือไม่รู้ว่าบาปนี้เป็นอย่างไรมีหรือไม่มีก็ไม่รู้เพราะบางคนคิดว่าตายไปแล้วก็ก็จบอ่ะน่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปหรือถูกฝังไปในดินแล้วใครล่ะจะไปรับผลบาปที่ทำไว้ ก็อาจจะไม่ไม่กลัวบาปไม่เชื่อบาปไม่คิดว่าการทําบาปแล้วจะมีผลตามมาพวกนี้เวลาตายไปดวงใจถ้าเป็นมีร่างกายได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานส่วนพวกที่รู้ว่าบาปแต่ยังอยากได้เงินทองเยอะแยะอยากได้อะไรมากๆคือทําบาปด้วยความโลภ ก็จะไปเป็นเปรตไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยเพราะความโลภนี้จะทำให้รู้สึกหิวโหวยได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาหมื่นก็ยังอยากจะได้อีกได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้เท่าไหร่ก็ยังอยากอยู่นั่นยังหิวอยู่นั่นแล้วถ้าไปได้ด้วยการทำบาป ก็จะทำให้ใจนี้ร้อนด้วยความหิวโหวยทุกข์ด้วยความหิวโหวยดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความหิวโหวยนี่เรียกว่าเปรตส่วนอีกพวกหนึ่งทำบาปเพราะความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยทำร้ายเขาก่อนกลัวว่ามดมดจะมากัดมแมลงจะมากัดยิงยุงจะมากัดงูจะมากัด เจออะไรก็ฆ่ามันซะก่อนป้องกันตัวเองคิดว่าไม่บาปเพราะว่าเป็นการป้องกันชีวิตเหมือนกับการไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นอาหารอันนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะกลัวจะถูกเขาทำร้ายพวกนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเอาศูตรละกายเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา ส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความโกรธด้วยความอาฆาตพยาบาทใครมาทำอะไรให้เราไม่พอใจทำให้เราเสียใจทำความเสียหายให้กับเราก็ต้องล้างแค้นกันตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างนี้ก็จะเป็นด ว, วงวิญญาณที่ร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทคือร้อนด้วยไฟนรกนี่ย สังเกตดูเวลาโกรธใครเกลียดใค ร, ใครอาฆาตพยาบาทใครนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะใจร้อนอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือนรกเรียกว่านรกนรกไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นดวงจิตดวงใจที่ร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทร้อนเพราะไปทําบาปที่เกิดจากการอาฆาตพยาบาทนี่คืออบายสี ของผู้ที่กระทำบาปโดยลักษณะต่างๆกันทาบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุรกายทำบาปด้วยความมาฆาาพยาบาทก็ไปนรกแต่บาปที่ไปรับใช้นี้ก็มีเวลาหมดเหมือนกันเหมือนกับ ไปติดคุกติดตารางพอครบเวลาของของโทษก็จะพ้นโทษออกมาพอถูกปล่อยออกมาจากบายก็จะมีสิทธิ์ที่จะมารอรับร่างกายของมนุษย์ต่อไปแต่เวลาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ด้อยวาสนาหรืออภัพวาสนาเพราะว่าบาป ท, ที่ยังติดใจอยู่นี้ มันทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากจนมนุษย์ที่ไม่ฉลาดมนุษย์ที่ไม่สวยงามรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามสุขภาพไม่สมไม่แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุไม่ยืนยาวนาน บางทีอาการสามสิบสองไม่ครบแขนขาดบ้างตาบอดบ้างหูหนวกบ้างอนนี่คือลักษณะของผลของบาปที่ยังหลงเหลือติดค้างอยู่ในใจอยู่จะส่งผลให้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นพวกอาภัพวาสนาในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ทำบาปหรือทำบาปน้อยก็ทำบุญ เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขพอเวลาทำบุญนี้ใจเราจะมีความสุขกันเวลาตายไปความสุขของใจก็จะพาให้เราไปเป็นเทวดากันเป็นเทวดาชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับความสุขที่ได้สร้างขึ้นว่ามีมีมากมีน้อยถ้ามีความสุขมากก็ได้เป็นเทวดาที่ ชั้นสูงมากถ้ามีความสุขน้อยก็มีเป็นเทวดาชั้นต่ำนะรู้สึกเทวดานี้เขาจะมีหกชั้นด้วยกันตั้งแต่ชั้นชั้นอริ จ, จาตุมยามาดาวดึงดุสิตปารนิมแล้ว น, นิมานิมานมีอยู่หกชั้นด้วยกันมี ความสุขต่างกันไปตามอำนาจตามกำลังของบุญที่ได้ทำกันไว้ทำบุญน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำเหมือนกับมีเงินน้อยก็พักโรงแรมดาวน้อยมีเงินมากก็พักโรงแรมดาวมากโรงแรมเ็าถึงแบ่งเป็นดาวดาวหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวสวรรค์ก็แบ่งเป็นสวรรค์หกดาวมีตั้งแต่ หดาวขึ้นไปถึงหกดาวขึ้นอยู่กําลังของบุญบุญก็เป็นเหมือนเงินที่เราจะไปจ่ายค่าโรงแรมค่าที่อยู่อาศัยค่าอาหารต่างๆบุญนี่แหละคือเงินที่เร า, เาไปใช้ในโลกทิพย์ส่วนบาปนี่เป็นหนี้ที่เราจะเอาไปใช้ชดใช้ในในอบายดังนั้นถ้าเรายังยังคิดว่าเรายังเลิกความอยากไม่ได้ แล้วการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้ยังอยากมีแฟนยังอยากนั่าอยากรวยอยากอยากไปเที่ยวอยากไปชอปปิง้งอยากไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆาก็เรามีทางเลือกสองทางาจะรวยแบบไปอบายเลือรวยแบบไปสวรรค์ก็ได้ถ้าอยากจะไม่ไปอบาย ก็ต้องไม่ทำบาปอนนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สรุปมีอยู่สามข้อใหญ่ๆหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีกำหนดอนาคตของพวกเราให้เป็นอนาคตที่ดี ถ้าเราละการกระทาบาปทั้งปวงได้เราก็ต้องเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายกันปิดประตูอบายได้เพราะบาปเป็นตัวที่ดึงให้เราไปเกิดในอบายพอเราไม่ทำบาปมันก็ไม่มีอะไรมาดึงใจเราให้ไปอบายเราก็จะมาเป็นมนุษย์ไปเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็ไม่ได้ไปสวรรค์ เราก็จะไปเป็นมนุษย์ไปรอรับร่างกายของมนุษย์นยถ้าบาปไม่มีดึงเราไปอบายบุญไม่มีดึงเราไปสวรรค์เราก็จะไปรอเกิดเป็นมนุษย์ น, ย น, นี่คือข้อที่หนึ่งฉะนั้นการการไม่การไม่ไมกระทํำบาปทั้งปวงนี่ก็เหมือนกับการรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้นั่นเอ ง, เองถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ไม่อยากจะ ลดฐานะของเราลงต่ำกว่า ม, มนุษย์เราก็ต้องไม่ทาําทบาปนะเพราะเราทําบาปนี้เราจะลดฐานะของเราจากมนุษย์ลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายเป็นนรกเนี่ยดังนั้นข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่างน้อยที่สุดก็ให้รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ ถ้าเราจะเวียนว่ายตายเกิดก็ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานดีกว่าไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายดีกว่าไปนรกจึงทรงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงบาปนี้ก็มีอยู่สี่ข้อใหญ่ๆแล้วก็มีผู้สนับสนุนบาปอีกห้าข้อด้วยกันเรียกว่าอบายมุขเนี่ย ไห้ละบาปและอบายามุก ค, คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกไม่พูดปดโกหกหลอกลวงอันนี้คือบาปส่วนอบายามุกผู้ที่จะสนับสนุนให้การกระทาบาปนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นก็คือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพ น, นันสามการเที่ยวเตรสี ความเกลียดคร้านห้าการครบผู้ที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะว่าถ้าเราไปคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นเพื่อนเขาก็จะชวนเราไปทำในสิ่งที่เขาชอบถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเที่ยวเต่เขาก็จะชวนไปเที่ยวเตะ ถ้าเขาชอบความเกียรติค้างเขาก็จะชวนให้เราเกียรติคานแน้วการกระทธรรมบ่ายามุกนี้มันไม่มีรายได้มันมีแต่รายจ่ายต้องเสียเงินอย่างเดียวไปเที่ยวก็ต้องเสียเงินเล่นการพนันไม่ช้าก็ต้องเสียถ้าได้ก็อยากจะเล่นต่อพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออีกมันพอเล่นแล้วมันจะติด พอติดแล้วต่อไปมันก็จะต้องเสียพอเสียก็ต้องขายทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองขายบ้านขายช่องขายที่ดินะขายเนื้อขายตัวเอแล้วถ้ายัางไม่พอก็ไปขโมยไปรักทรัพย์มาเล่นต่อพ อ, อยังอยากที่จะได้เงินคืนอยู่อะนนี้อบายามุกจะพาให้เราต้องไปทํำบาปหนึ่งสุลาแล้วเมาก็ไม่มีสติที่จะควบคุมอารมณ์ คิดอะไรไม่ดีก็ควบคุมไม่ได้อยากจะพูดไม่ดีก็พูดออกมาอยากจะทำอะไรไม่ดีก็ทำออกมาไม่มีสติยับยัง้งคนเมาสุลาจึงเป็นเหมือนหมาบ้าไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เวลาพูดก็พูดหยาบคายเวลาทำอะไรก็ทำแต่สิ่งที่เสียหายเช่นเมาแล้วไปขับเดี๋ยวก็ขับรถยนต์เดี๋ยวก็ไปเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้อื่นตายฆ่าผู้อื่นหรือทําให้ตนเองตายเนี่ยมีแต่ความเสียหายอภัยามุขมีแต่รายรายจ่ายไม่มีรายรับถ้าชอบเที่ยวก็มีแต่รายจ่ายเวลาเที่ยวทีก็หมดไปทีหลายสตังถ้าเที่ยวแบบติดไม่ไปทํางานเลยมันก็ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายเตาให้มีเงินมากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็หมดนะ พอหมดก็ต้องไปหาโดยวิธีทําบาปเพราะว่าไม่มีไม่ไม่ไม่มีงานทํเพ่หมัวแต่เที่ยวงานก็ไม่ทาเอพอเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินด้วยวิธีโกหกหลอกลวงก่อนไปยืมเงินเขาแล้วบอกจะใช้แต่รู้ว่าไม่ใช้แล้วแต่พอยืมเขาได้ครั้งต่อไปก็ไม่ให้ยืมก็ต้องไปขโมยขโมยแล้ว ถ้าขโมยแล้วมันได้น้อยก็ก็ต่อไปก็ไปป้นร้านทองเลยะจะได้เงินเยอะขึ้นพอไปพ้นกันเดี๋ยวเจ้าของร้านเขามีปืนมาต่อสู้ก็ยิงกันตายอัออนนี้คืออบายามุขตัวที่จะทำให้การกระทาบาปเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเราไม่เสพอบายามุขนี้โอกาสที่เราจะไปทำบาปนี้มันน้อย พระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงคือหมายถึงทั้งบาปและอบายามุกนั่นเองอย่าไปเสพอบายามุกแล้วก็จะไม่มีอะไรมากดดันให้เราไปทำบาปกันเราก็จะรักษาศีลกันได้อย่างง่ายดายอันนี้คือถ้าเราต้องการที่จะไม่ทำบาปไม่ต้องการไปเวดว่ายตายเกิดในอบาย ตายแล้วไม่ต้องการไปอบายตายแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยแต่ถ้าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปะมีความสุขะระดับหลายดาวนี้ก็ต้องทำบุญเพราะว่าความสุขของมนุษย์นี้สู้ความสุขของเทวดาไม่ได้คนที่ไม่ได้ทำบุญกับคนที่ทำบุญนี้จะมีความสุขไม่เหมือนกัน ก่อนที่ไม่ได้ทำบุญนี้จะรู้สึกเฉยเฉยสังเกตดูตอนที่เราไม่ได้ทำบุญนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นี่นี่คือลักษณะของมนุษย์แต่พอเราได้ทำบุญนี้เราจะรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีนี่คือการเป็นเทวดาคือการสร้างความสุขด้วยการทำบุญถ้าเราโชคดีก่อนมาทำมาหากินแล้ว คราบทำมาค้าขายค่องแคลวมีรายได้มากจนไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดเนี่ยเราถ้าเอามาทําบุญทําทานเราก็จะได้ยกระดับจิตใจของเราจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาเราก็จะมีความสุขมากกว่าตอนที่เราไม่ได้ทําบุญนี่คือตอนที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขที่เกิดจากการทําบุญ แล้วพอตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเทวด า, าชั้นต่างๆจนกว่าบุญจะหมดถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอกลับมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีเพราะอํานาจของบุญที่ยังมีตกค้างอยู่ในจิตเนี่ยจะทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงมีอาการครบสามสบสองมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมีอายุยืนยาวนานอันนี้คืออานิสงส์จากการไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญแต่ยังต้องทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ถึงแม้จะมาเกิดแบบมีวาสนามาเกิดเป็นนายกมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมาเกิดเป็นของลูกของเศรษฐีก็ตามแต่ร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ไม่มีข้อยกเว้นถ้ามาเกิดแล้วจะเกิดเป็นเศรษฐีหรือเกิดเป็นยาจกเกิดเป็นใหญ่เป็นโตหรือเกิดเป็นขอทานก็มี ความแก่ความเจ็บความตายรออยู่เหมือนกันนะก็ยังมีความทุกข์เหมือนกันทุกคนที่มาเกิดแล้วก็ยังจะต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายถึงแม้ว่าจะมาเกิดสูงก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเกิดต่ำก็ต้องมาเจอความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่อยากที่จะมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ต้อง ไปอีกทางหนึ่งคือทางไม่กลับมาเกิดการที่จะทำให้เราไม่กลับมาเกิดก็ต้องทำตามคำสอนข้อที่สของพระพุทธเจ้าคือชำระใจให้สะอาดใจของพวกเราตอนนี้ไม่สะอาดด้วยอะไรไม่สะอาดด้วยกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองเครื่องที่พาให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกัน เพราะถ้าเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องมีร่างกายเพราะร่างกายมีตาให้เราได้เสบรูปมีหูให้เราได้เสบเสียงมีจมูกให้เราได้เสบกลิ่นมีลิ้นให้เราได้เสบรสมีร่างกายให้เราได้เสบกับสัมผัสที่มาสัมผัสที่ร่างกายของเราถ้าเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ ใจของเราก็จะต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมามีร่างกายเราก็ต้องชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจกิเลสตัณหานี้ก็เป็นเหมือนคราบสปกปรกคราบสปกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าของเรานี่ เ, เวลาเราใส่เสื้อผ้าใช้เสื้อผ้าไปก็มีคราบสปกปรกต่างๆเข้ามาติดกับเสื้อผ้า ทำให้เสื้อผ้าไม่สะอาดส่งกลิ่นเหม็นถ้าเราต้องการให้เสื้อผ้าสะอาดเราก็ต้องเอาไปซักซักด้วยน้ำซักด้วยผงซักฟอกแล้วพอซักเสร็จตากให้มันแห้งเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อที่สะอาดบริสดขึ้นมาเป็นเสื้อผ้าที่น่าใสขึ้นมาใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มีคราบสก ป, ปกคือมีกิเลสตัณหา ที่ม า, มาสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้กับพวกเราอยู่เรื่อยๆเวลาเราอยู่เฉยๆนี่ก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรมาทําให้เราไม่สบายใจแต่อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากไปนู่นอยากมานี่อยากดูนั่นอยากฟังนี่พออยู่เฉยๆไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอะไรขึ้นมาก็อึดอัดนะเน่เวลามือถือเสียดูเสียอึดอัดไหม มือถือเสียนี่ต้องรีบไปเปลี่ยนเครื่องทันทีปล่อยให้มันเสียไม่ได้นานเกินไปเดี๋ยวจะทนกับความอึดอัดไม่ได้พอเราอึดอัดก็เปิดมือถือขึ้นมาดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมีใครเข้าว่าอะไรเราบ้างมีใครเข้าชมเราบ้างมีที่ไหนหน่าไปน่าดูมีอะไรน่าน่าฟังน่ากินน่าดื่มเนี่ยพอได้ดูอย่างนี้ก็ทาให้สดชื่นเบิกบานขึ้นมา กิเลได้รับการตอบสนองความต้องการของมันแต่มันไม่ตายไปพอเราหยุดดูปั๊บเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาใหม่หยุดฟังปั๊บก็หิวขึ้นมาใหม่มันก็จะมาคอยรบกวนสร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สงบสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจให้กับเราไปเรื่อยๆแล้วพอร่างกายนี้ตายไปมันก็จะฉุดลากให้เรากลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่ ถ้าเราไม่อยากจะเจอปัญหาเหล่านี้เราก็ต้องมาซักพอกจิตใจเนี่ยนี่เป็นคำสอนข้อที่สามของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามเวลามาตัดสั้ความจริงของอนาคตของจิตใจของพวกเราก็จะรู้ว่ามีทางเลือกอยู่สามทางด้วยกัน ถ้าอยากจะเวียนว่า้ตายเกิดก็มีทางเลือกสองทางเวียนว่า้ตายเกิดในซีกของที่มีความทุกข์หรือเวียนว่า้ตายเกิดในซี่ที่มีความสุขถ้าเวียนถ้าอยากจะเวียนว่า้ในซีกที่มีความทุกข์ก็ให้ไปทําบาปเยอะๆแต่อยากจะเวียนว่า้ในซีกที่มีความสุขก็อย่าทําบาปแล้วก็ทําบุญให้มากๆแต่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ก็ต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้จะเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาให้อย่างราบคาบอย่างถาวรการแก้ปัญหาด้วยการทำบุญไม่ทำบาปนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหาให้หมดเพราะยังต้องมาเจอกับความเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแบบคนมีวาสนาบารมีก็ตามแต่ก็ยังต้องเจอความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่แต่ถ้าไม่อยากจะเจอกับปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมาปฏิบัติธรรมข้อที่สก็คือมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะการที่จะมาปฏิบัติธรรมข้อที่สได้ก็ต้องผ่าน ข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปก่อนเพราะถ้ายังผ่านข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ได้จะไม่มีกำลังไปทำข้อที่สามนี่เองเพราะว่ามันมีความยากง่ายไปตามลำดับนะละการกระทำบาปนี้แล้วก็ทำบุญแล้วถึงจะมีกำลังที่จะไปะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี่คือถ้าเราเบื่อกับความทุก ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายถึงแม้จะมาเกิดชาตินี้จะรวยขนาดไหนจะมีความสุขมากน้อยขนาดไหนจะไม่ค่อยมีความทุกข์เลยก็ตามแต่ก็เดี๋ยวก็จะต้องเจอความทุกข์ที่เกิดจากความไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความทุกข์ของความแก่และเจอความทุกข์ของความตายถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์เหล่านี้ก็ต้อง มาชำระใจซักฟอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์การซักฟอกใจก็เหมือนกับการซักฟอกเสื้อผ้านี่แหละเสื้อผ้าจะซักฟอกได้ก็ต้องมีเครื่องมืออย่างน้อยสมัยก่อนก็ชิมต้องมีกาละมังมีภาชนะใส่เสื้อผ้าใส่แล้วก็ต้องมีน้ําแล้วก็ต้องมีผงซักฟอกสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนกาละมังมาเป็นเครื่องซักผ้าแทนก็ได้ก็เป็นเหมือนกาละมังอัตโนมัติน ไม่ต้องมาขยมมาขยี้เสื้อผ้าการละมังมันขยี้เสื้อผ้าให้เองแต่ก็ยังต้องใส่น้ำเข้าไปใส่ใส่ผงซักฟอกเข้าไปถึงจะทำให้คราบสกบปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าเล็หลุดออกจากเสื้อผ้าไปทำให้เสื้อผ้าสะอาดบอยสุดขึ้นมาใจของเราก็ต้องมีเครื่องซักเครื่องซักใจ เครื่องซักเสื้อผ้าของนั่งกระของเสื้อผ้าใจก็ต้องมีเครื่องซักพอกใจเครื่องซักพอกใจในที่นี้ก็คือศีลสมาธีปัญญาเนี่ยศีลก็เป็นเหมือนภาชนะเป็นเป็นกาละมังเป็นกระแปง้งสมาธิก็เป็นเหมือนน้ํำปัญญาก็เป็นเหมือนผงซักฟอกนะครับ ถ้าเรามีแต่ศีลมีแต่สมาธิคราบสกรปรกมันก็จะออกมาไม่หมดมันยังติดอยู่ถ้าเราซักผ้าโดยชดใชยน้าอย่างเดียวนี่คราบสกรปรกที่มันติดแน่นอยู่มันก็ไม่ยอมออกออกมาแต่พวกที่มันไม่ติดแน่นแต่ถ้าเราใช้ผงซักฟอกแล้วเอามาขายี้เอามาขัดนี่เดี๋ยวมันก็หลุดออกมาหมด เราต้องมีทั้ง3มส่วนในการซักเสื้อผ้าชัน้นใดในการซักฟอกจิตใจเราก็ต้องมี3มส่วนคือมีศีลสมาธิและปัญญาศีลในที่นี้ก็ไม่ใช่ศีลห้าต้องเป็นศีล8ขึ้นไปศีล8หรือศีลส0หรือศีล227ในสมัยพุทธกาลก็มีศีล31 1สําำหรับภิกษุณี แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีภิกษุณีบวชก็เลยเหลือแต่ศีลของพ ร, ระภิกษุ227ยข้อหรือศีลของสามเณรหรือแม่ชีส0บข้อหรือศีลของโอบาสุกบาสิกาผู้ยังคลองเลือนอยู่ก็มีอยู่8ดข้อคือศีล8นี่คือศีลที่จะมารองรับในการสร้างการในการ สร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเหมือนกาลมังที่จะมาลองรับน้ำกับผงซักฟอกนั่นเองถ้ามีน้ำมีผงซักฟอกไม่มีกาลมังก็ไม่รู้จะไปซักที่ไหนเทรองดินมันก็มันก็ลงมันก็ซึมไปในดินหมดเทบนพื้นมันก็ไหลไปหมดซักผ้าแบบไม่มีภาชนะนี่ซักยากแล้วต้องเสียน้ำมาก แต่ถ้าซักด้วยกาลมังนี้ใส่น้าให้มันเต็มพอที่ต้องการก็พอแล้วแล้วก็ใส่ผงซักพ่อเข้าไปใส่เสื้อผ้าเข้าไปไปแช่สักพักเอาไปขยุมขย่าวสักพักเดี๋ยวคราบสกรปรกต่างๆก็ออกหมดนกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่พาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้มันก็จะหลุดออกจากจิตใจไป ถ้าเรามีศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองรอยิบเจ็ดถ้าเราปฏิบัติได้ตลอดเวลาก็จะทำให้มันเสร็จเร็วซักผ้าถ้าเรารีบซักมันก็เสร็จเร็วถ้าเราขี้เกียจซักแช่ไว้มันก็อาจจะใช้เวลานอนนานหน่อยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่หลายระดับ ในเบื้องต้นก็อาจจะปฏิบัติในขณะที่ยังเป็นผู้คองเรือนอยู่ก็ต้องแบ่งเวลาไปทำหน้าที่ของผู้คองเรือนทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปพาคนนั้นคนนี้ไปทำนู่นทำนี่แต่ตัวเองนี่อยากจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงก็หาเวลาว่างบางทีก็วันหนึ่งก็อาจจะมีช่วงเวลาเช้าเย็นก่อนนอน เช้าตื่นขึ้นมาเย็นก่อนนอนก็มีช่วงที่จะได้ทําสมาธิได้หรือฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมได้แล้วก็รักษาศีลแปดอาจจะรักษาไม่ค่อยได้ก็ต้องรอวันที่มีเวลาว่างก็ไปรักษาศีลที่วัดถ้าไปอยู่วัดรักษาศีลแปดมันก็จะง่ายถ้าอยู่บ้านคนอื่นเขาไม่รักษาศีลแปดเดี๋ยวเขากินข้าวเย็นเราก็หิวขึ้นมาตามเขา ก็จะทาให้รักษาไม่ได้งเงั้นเบื้องต้นก็ต้องไปหัดอยู่วัดไปวันพระก็เป็นเวลาเข้าวัดไปรักษาศีลแปดไปหัดนั่งสมาธิไปศึกษาธรรมะเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิธรรมที่พระ เ, เจ้าต้องการให้เราเห็นก็คือให้เห็นอริยรรสัจสีให้เห็นไตารักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พราะนี่จะมาซักฟอกกิเลสตัณหาให้หลุดออกจากใจไปได้สมาที่นี้เป็นเพียงแต่คอยกดมันไว้ไม่ให้มันทํางานทําออกมาเพ่นพ่านมาสร้างเรื่องสร้างราวแต่พอจิตออกจากสมาธิมาพอจิตก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสตัณหาก็จะตามมา คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปหาเขาคิดถึงขนมก็อยากจะกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มขึ้นมาแต่ถ้าเอาปัญญามาใช้ก็สามารถที่จะหยุดความอยากได้เพราะปัญญาบอกว่ากาฟแฟหรือขนมที่เราอยากจะดื่มมันให้ความสุขเดียวๆแล้วถ้าวันไหนไม่มีให้เรากินไม่มีให้เราดื่มมันก็จะทำให้เราทุกข์สู้อยาไปอยากดื่มอยากกินดีกว่า เพราะถ้าเวลาเราไม่อยากหรือไม่อยากกินแล้วจะมีหรือไม่มีเราก็จะไม่ไม่ทุกข์กับมันนะอันนี้ก็คือไตลักษณ์ปัญญาอริยสัจสีก็คือทุกข์เกิดจากความอยากถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องเห็นว่าความอยากจะพาเราพายหาสิ่งที่มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเวลาที่ไม่มีมันก็จะทำให้เราทุกข์นถ้าเรามีปัญญา เราก็จะกาจัดความอยากได้ถ้าเรามีสมาธิเราก็เพียงแต่กดมันไว้ชั่วคราวตอนที่เข้าสมาธินี้บิเล ต, ตันหาหายไปหมดแต่มันไม่ได้ตายมันเพียงถูกกำลังของสมาธิกดไว้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเนี่ยหินเวลาเราหินไปทับหญ้านี่หญ้ามันจะงอกขึ้นมาไม่ได้ แต่พอเรายกหินออกเดี๋ยวมันก็งอกามกลับขึ้นมาใหม่ได้จันนายกิเลสตัณหาไม่ได้ตายด้วยสมาธิแต่เราต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวตัดกำลังมันก่อนทำให้มันอ่อนกำลังลงแล้วเราอาศัยปัญญามาถอนรากถอนโคนมันอีกทีอันนี้คือการชักพอกจิตใจจำเป็นที่จะต้องมีส่วนประกอบ สามส่วนด้วยกันคือต้องมีศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปสองต้องมีสมาธิต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนแล้วถึงไปใช้ปัญญาต่อไปเป็นขั้นเป็นตอนไปงั้นเบื้องต้นก็หัดรักษาศีลแปดกันก่อนแล้วก็หัดไปอยู่วัดกันหัด ตอนต้นอาจจะหัดนั่งสมาธิที่บ้านไปก่อนก็ได้เช่นก่อนนอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาหัดลองวิธีนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไหว้พระไปก่อนการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสติเพราะก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติมาควบคุมความคิดให้ได้ถ้าไม่มีสติก็เหมือนรถไม่มีเบรกรถไม่มีเบรกเวลาจะหยุดรถก็หยุดไม่ได้ ใจไม่มีสติก็จะทําให้มันนิ่งสงบเป็นสมาธิไม่ได้ก็ต้องมาสร้างเบรกกันก่อนต้องมีสติควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ก่อนวิธีสร้างสร้างสติก็คือให้สวดมนต์ไปเรื่อยๆหรือว่าให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหรือฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นวิธีหยุดความคิดได้สร้างสติได้ เพราะเวลาเราฟังธรรมเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจของเราถูกบังคับให้อยู่กับการฟังธรรมมันก็เลยทําให้เราหยุดความคิดได้แต่ก็หยุดได้ชั่วขณะที่ฟังแต่ถ้าเราใช้พุโทโธนี่เราจะสามารถที่จะหยุดความคิดได้แทบทุกเวลานาทีพอใจเราเริ่มคิดอะไรเราก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็จะหายไปความคิดต่างๆก็หายไปถ้าเราฝึกบ่อย เวลาเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งเฉยๆนั่งหลับตาเราต้องนั่งเฉยๆร่างกายต้องหยุดทํางานก่อนหยุดเคลื่อนไหวก่อนถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่แสดงว่าจิตยังต้องทํางานอยู่เพราะจิตเป็นผู้คอยสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเองถ้าเราต้องการให้จิตหยุดทํางานเราก็ต้องหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายก่อนพอร่างกายหยุดเคลื่อนไหวแล้วทีนี้เราก็มาหยุดหยุดใจให้หยุดได้เต็มที่ ด้วยการใช้สติมาหยุดมันใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกเนะี่ยถ้าเรามีกําลังที่จะอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆหรือมีกาลังที่จะอยู่กับการดูลมหายใจไปเรื่อยๆความคิดก็จะน้อยลงไปเบาลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็นิ่งสงบไปพอจิตนิ่งสงบก็เกิดผลอันที่มหัศจรรย์ใจขึ้นมาก็คือความสุข ที่เกิดจากความสงบที่เป็นเหนือกว่าความสุขทางปวงความสุขของความสงบนี้เหนือกว่าความสุขจากการได้เงินร้อยล้านพันล้านจากการได้เป็นนายกเป็นอะไรความสุขทางโลกสู้ความสุขทางธรรมไม่ได้ลถแห่งธรรมชนะลดทางปวงพอเราได้สัมผัสกับความสงบแล้วทีนี้เราก็อยากจะให้มันสงบอย่างท้าวรเราก็ เวลาออกจากสมาธิมาพอจิตเริ่มเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ไตรลักษณ์ใช้อริยาาสัจสี่มาหยุดเป็นได้แต่เราเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์เราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอเราหยุดความอยากต่างๆได้หมดความสงบก็จะเป็นความสงบที่ถาวรต่อไปความสงบที่ถาวรเราก็เลิกวันนิผ่านนิพพานก็คือ การสิ้นสุดของความอยากทั้งหลายการสิ้นกิเลสจิตที่สิ้นกิเลสเรียกว่านิพานผู้ที่สิ้นกิเลสก็เรียกว่าพระอรหันต์ผู้ที่สิ้นกิเลสนี่แหละคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะกิเลสที่เป็นตัวดึงให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ถูกทำลายไปหมดด้วยการซักพอกจิตใจ ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเมื่อไม่กลับมาเกิดก็ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่มีปัญหาต่างๆตามมาอย่างที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ปัญหาต่างๆของพวกเราเกิดจากการที่เรามาเกิดกันทั้งนั้น่ะถ้าเราไม่มาเกิดแล้วไม่มีปัญหาแล้วเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหากับร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไปหาสมบัติไม่ได้หาแฟนไม่ได้หาอะไรไม่ได้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาให้ เป็นปัญหากับเราแต่พอมีร่างกายปั๊บมันก็มีปัญหาตามมาเป็นขบวนถ้าเราต้องการกำจัดปัญหากำจัดความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องยุติการกลับมาเกิดการจะยุติกลับมาเกิดได้ก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุดจะชำระได้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญานี่เองนี่คืออนาคตของพวกเราที่ศาสนา เขียนบอกไว้อย่างชัดเจนเรามีทางเลือกอยู่สองทางใหญ่ๆทางเกิดกับการไม่เกิดถ้าเกิดก็มีทางเลือกอยู่สองทางเกิดในสุขคติหรือเกิดในทุกขติแต่ถ้าเกิดก็ยังต้องมีทุกข์ตามมาไม่ว่าจะเป็นทุกขติหรือสุขคติคือยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมานี่แหละคือการทำนายชีวิตของพระพุทธศาสนา ถ้าอยากจะรู้ว่าอนาคตของเราเป็นอย่างไรมาศึกษาแล้วเราสามารถเลือกทางได้เหมือนไปร้านอาหารเราสามารถเลือกอาหารที่เราจะกินได้ต้องกินอาหารที่มีทำให้ท้องเสียก็ได้ทำให้มีโครคภัยไข้เจ็บตามมาก็ได้หรือกินอาหารที่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บตามมาก็ได้อยู่ที่เราจะเลือก อาหารที่มีโรคภายแค่เจ็บมันแซบนะมันมีรสมีชาติแต่อาหารที่ไม่มีโรคภายแค่เจ็บมันจืดชืดแต่มันมีรสไม่มีโรคภัยแค่เจ็บถ้ากินอาหารหวานๆมากๆเดี๋ยวเบาหวานก็ตามมากินอาหารที่มีมันมากๆเดี๋ยวไขมันอุดตันก็ตามมาแต่เวลากินอร่อยแต่เวลาต้องไปเจอโรคภัยแค่เจ็บนี้มันไม่อร่อยนแต่ถ้ากินอาหารแบบรสชาติไม่ไม่แซบอะ รสชาติแบบธรรมดาธรรมดาไม่หวานเกินไปไม่มันเกินไปก็จะไม่มีพิษมีภัยตามมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะมีความสุขในปัจจุบันเราก็เลือกทางเกิดแก่เจ็บตายไปถ้าเราอยากจะไม่ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องเลือกทางลำบากทางของศีลสมาธิปัญญาไป อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้และไม่มีใครสามารถที่จะมาบังคับให้เลือกเราต้องเป็นผู้เลือกเองอัตตาหิอัตโนนาโถ แล้วเราต้องเป็นผู้รับผลของการเลือกของเราเรียกว่ากรรมาริกตจชีวิตของพวกเราอยู่ที่กรรมาลิกตจอยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าเราจะเดินไปทางไหนดังนั้นเราอย่าไปโทษใครเวลาเรามีปัญหาโทษตัวเราเองว่าเราเป็นคนเลือกมาทางนี้เองแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายไปยุ่งกับคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องไปมีเวรมีกรรมกับใคร มาแก้ปัญหาของเราดีกว่าด้วยการเปลี่ยนทางทางเดินใหม่เมื่อทางนี้มันมีปัญหาทําไมไม่ไปเดินในทางที่มันไม่มีปัญหา <c oughs> ก็เลือกในทางที่พระเจ้าได้เดินไปแล้วสอนให้เราเดินไปกัน <c oughs> ก็คือไปในทางของศีลสมาธิปัญญานี้เอง <c oughs> ถ้าเราเลือกทางนี้แล้วรับรองได้ว่าปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะหายไปหมดนจะไม่ต้องมีปัญหาเหล่านี้อีกต่อไป ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวะไรวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปักปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจฉาตตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโยธามณนีโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะ อาทิวะธานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนยตาโรธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ แต่จะของดถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางว่านมีเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กสองรอยแปดสิบหกท่านค่ะ y o u t u สอง1้อสิหกท่านวิทยุยี่สิบปดผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าท่านรวมเป็นเจ็ดร้อยสิบเกค่ะโอเคอ่าชวนถามได้เลยชื่อพูดใกล้ๆปากหน่อยพูดดังดังพูดเสียงดังๆัเลยพ่อคือลูกปฏิบัติพูดดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยลูกปฏิบัติมานานไ้ไหมพูดใกล้ๆดังๆอ่พูด่ะ บทีนี้มีปัญหาที่ว่าปิติขึ้นมาตั้งนานหลายปีมาแล้วอนะคะมันก็แบบก็ไม่รู้ทําไมไงัยเป็นถอนไม่ออกจนท่านผู้สอนก็บอกเออคุณทุกันนานแล้วคุณก็หงวยคุณอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่แบบท่านก็พยายามช่วยแต่หนูถอนตัวไม่ออกจากปิติอันนี้แต่หลังจากนั้นมาเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาเนี่เนี่ยหนูมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะ มันไม่ปิตินะคะคือบางทีมันหลุดความคิดถ้าเมื่อครั้หลุดความคิดนี่หนูจะแบบคิดหนอมันก็จะแบบปิติขึ้นจะยิ่งเยอะขึ้นเลยแล้วก็สนุกสนานกนตรงชีวิตตรงนั้นแต่ตอนนี้นะคะมันคิดนะพอบางทีคิดคิดคิดเรารู้เราฟุ้งไปแล้วก็คิดหนอเพราะว่ามันมันเจ็บมากบางครั้งเจ็บจนสั่นดิ๊กดข้างในเลยอ่ะโดยบางทีก็จำไม่ได้ว่าคิดอะไร แต่บางทีก็จำได้เป็นสิ่งที่เราเคยถูกเขาทำาอืวมันออกมาพุ่งพ่านไปจนบางทีหรือบางครั้งไม่อยู่ถอนสมาธิเลยไม่ทำแล้วไปทำอะไรตามเพื่อจะให้หลุดจากตรงนั้นอ่ะก็เราไม่มีสติไงเ่านั่งแบบไม่มีสติมันก็เลยทำให้จิตเป็นอย่างนี้ วิธีหนึ่งก็คือให้มีสติก็ต้องพุโทโธพุธโทโธไป <Okay. S 1> นั่งยานั่งเฉยเฉยนั่งแล้วต้องพุโทโธพุธโทโธไปไม่ต้องเร็วก็ได้ช้าๆไปก็ได้พุโทโธพุธโทโธไป หรือสวดมนต์ไปภายในใจนะอย่าอย่าไปคิดถึงอะไรต่างๆปิดตกปิติมันจะเกิดไม่เกิดไม่ต้องไปสนใจมันต้องอย่าไปอยากมันให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วก็อยู่กับสวดมนต์ไปหรือดูลมหายใจไปต้องมีอะไรควบคุมใจใจมันถึงจะสงบได้สมสัยรูปติดอยู่กับ ลมหายใจบางทีรู้ทั้งในนะคะมันจะละเอียดอ่อนถ้ารู้ทั้งนอกเยบหยาบได้ แ, แต่พุโทโธก็จะมีสลับกันอยู่เรื่อย ก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆอย่านั่งแบบไม่มีพอไม่มีแล้วมันก็เกิดปัญหาตามมาเจ็บมากไม่รู้ทำยังไงบางทีถอนตัวไม่ออกเลยอต้องใช้พุทโธไปนเพุทโธไปดีที่สุดง่ายที่สุดคือพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจจะให้จี้ตรงใจไหมคะไม่ต้องอะจี้ที่คําว่าพุทโธนะอยู่แต่คําว่าพุทโธอพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่แล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆมันจะหายไปหมดนะขอบพระคุณทุก่า มีคำถามจากบนเขานะคะฝากถามมาว่าขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่เราไปร้านอาหารที่มีสัตว์ที่เขามาโชว์เพื่อที่จะรอปรุงอาหารและยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปชี้สั่งให้พ่อครัวว่าเอาตัวนี้ตัวนั้น เพื่อให้เขานำมาทำอาหารให้เราทานแบบนี้เราจะผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมครับไม่หรอกถ้าเราไม่สั่งเขาเขาทำมาเองมันเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราไปชี้บอกเอาตัวนั้นตัวนี้ถึงจะบาปคำถามต่อไปจากคุณธนากรขอโอกาสครับ ถ้าเราอยู่ในสถานที่พรุกพล่านจะสามารถนั่งสมาธิให้ถึงระดับอั ป, ปนาได้หรือเปล่าครับคงเป็นไปได้ยากนอกจากถ้าเรามีพลังจิตอยู่แล้วมีอั ป, ปนาสมาธิมาแล้วมีกาลังมากเราก็สามารถอยู่ที่ไหนก็สงบได้แต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังหัดอยู่เหมือนกำลังหัดเหมือนเด็กล้มลุกคุกคานอยู่ เราก็ต้องมีที่ช่วยเด็กจะหัดยืนได้ก็ต้องมีที่เกาะมีอะไรการจะนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิได้ก็ต้องมีที่ที่สปายะก็คือที่ที่สงบนะไม่มีคนพวุกพลาดไม่มีเสียงอึกทึกคึกโคมเสียงลมไม่เป็นไรนะแต่เสียงมนุษย์เสียงกิจกรรมต่างๆเสียงดนตรีเสียงอะไรพวกนี้มันจะมารบกวนจิตใจนะ เห็นต้องไปอยู่ที่วิเวกที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงแล้วจิตก็จะสงบได้ง่ายคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขณะนั่งสมาธิและบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆแต่มีช่วงขณะหนึ่งจิตมันแวบไปอุทิศบุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติผิดไหมคะ ที่ถูกต้องคือต้องอุทิศบุญหลังจากที่ออกจากสมาธิอย่างเดียวหรือไม่คะอุทิศบุญนี้ทําตอนที่เราไปทําบุญตอนนั่งสมาธินี้ยังไม่เกิดบุญว่ายังไม่สงบยังไม่ได้ผลแต่แม้จะนั่งเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่มีผลบุญเกิดขึ้นยันไม่ไม่ควรที่จะมากังวลกับการอุทิศบุญในช่วงที่เรานั่งสมาธิ อยากจะอุทิศบุญก็ไปใส่บาตรไปทำบุญทาทานสวายถังกทานทำปุ๊บบุญเกิดขึ้นปับ๊บอุทิศได้ทันทีเลยแต่ถ้านั่งสมาธินี้ส่วนใหญ่เราไม่ได้เล็งถึงการอุทิศบุญเรานั่งสมาธิเพื่อใจสงบให้เกิดความสุขใจขึ้นมาฉะนั้นให้มีสติอยู่กับการนั่งอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอุทิศบุญ ให้ดึงกลับมาย้า้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดให้อยู่กับพุโทโธพุทโธไปหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วใจก็จะค่อยๆเข้าสู่ความสงบจะเข้าได้มากได้น้อยก็อยู่กำลังของสติที่เราจะควบคุมความคิดไว้คำถามต่อไปจากคุณวไลพรพรวิรุณการลงทุนหุน้นถือเป็นอบายามุกใหมเจ้าคะ การลงทุนก็ต้องดูว่าเราลงทุนแบบไหนลงทุนแบบเก่งกําไรออันนี้คําถามจากพก่กไอไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังนึกว่าจะพูดยังไงต่ อ, อคือการเล่นหุ้นนี่เล่นได้สองแบบะเล่นแบบลงทุนเล่นแบบก้บาวาบยมุกเล่นแบบการพนันอ วิธีเล่นหุ้นนี้ให้เราดูที่ผลของการเล่นหุ้นก็แล้วกันเช่นเราทาบัญชีเก็บไว้ว่าเราเริ่มต้นเล่นหุ้นเราไม่เราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วสิ้นปีเราได้เงินตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ถ้าเราได้กลับมาเป็นผลกาไรก็เล่นไปเถิดไม่เป็นไรที่กลัวเล่นแล้วขาดทุนถ้าเล่นแล้วขาดทุนก็อย่าเล่น ก็ เ, เหมือนกับเป็นการเล่นการพนันการให้รู้แค่นั้นก็แล้วกันเหมือนกับการทํามาค้าขายถ้าขายขายาทีพนี้วเจ๊งก็อย่าไปขายเลยดีกว่าเปลี่ยนอาชีพใหมอ่อันนี้ก็เหมือนการเล่นหุ้นก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งเป็นการซื้อขายสินค้าอถ้าซื้อขายสินค้าเราสิ้นปีเราทําบัญชีดูเราได้กําไรเราก็เล่นต่อไปได้ ถ้าทำบัญชีแล้วขาดทุนก็อย่าเล่นดีกว่าไปหาอย่างอื่นทำที่ทำได้กำไรดีกว่าทำไรก็ได้ขอให้ได้กำไรแต่อย่าขาดทุนแลวอย่าผิดกฎหมายอย่าผิดศีลและธรรมเท่านั้นคคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะกลับมาเกิดได้อีกหรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่เกิดแล้วเมื่อไม่มีเชื้อของการเกิดมันก็จะไม่มาเกิดคำถามจากคุณพระนาลีเล่นหวยใต้ดินและลอตเตอรี่ผิดศีลหรือไม่เจ้าคะก็นี่แหละมันไม่ผิดศีลนะเพราะไม่ได้ไปขโมยเงินใครแต่มันอาจจะเป็นอบายามุคกคแบบืถ้าเล่นแบบไม่มีเหตุมีผลถ้าเล่นแบบมีเหตุมีผลก็คือดูว่ากาไรหรือขาดทุน ถ้ากำไรก็เล่นไปเถอะถือว่าเป็นการทำอาชีพอย่างหนึ่งผู้ขายลอตเตอรี่เขาก็ขายเขากำไรเขาก็ขายไปเรื่อยถ้าเขาขาดทุนเขาก็ปิดเขาก็เจ๊งเขาก็เลิกทำงั้นให้ดูผลที่เราอยู่ที่รายได้ของเราว่าเราทำไปแล้วเราได้กำไรหรือขาดทุนซื้อหวยมาจ่ายไปเท่าไหร่แล้วถูกรางวัลเท่าไหร่ลองมาตรวจดู ถ้าได้กำไรมากกว่าขาดทุนก็เล่นต่อไปถ้าขาดทุนมากกว่ากำไรก็อย่าเล่นคำถามจากคุณธรรมดาโลกธรรมแปด ในการบรรลุธรรมในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีนี้เริ่มนับจากวันที่เราสามารถมีสติตลอดเวลาและทำให้จิตสงบได้ทุกครั้งหรือจากตอนที่เริ่มใช้ปัญญาพิจารณาตลอดเวลาหลังจากได้สมาธิจนติดสงบแล้วค่ะก็อย่าไปสนใจเลยทำไปก็แล้วกัน <c oughs> ขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วมันก็จะได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนนั่นแหะคำถามจากคุณสีโรธกราบนมัมสกายพระอาจารย์ครับพระโสดาบันต้องเห็นแจ้งกายด้วยปัญญาใหม่ครับหรือเพียงรู้แต่ว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงครับคือต้องปล่อยวางขันห้านะต้องปล่อยวางขันห้าได้ ปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายได้ไม่ไปทุกข์กับมันร่างกายเจ็บก็ไม่ทุกข์กับมันร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์กับมันเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นแก่เจ็บตายเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอย่างไรร่างกายที่เรามีอยู่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าปล่อยวางได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่น คำถามจากคุณแคทน้อมกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหากการที่เราทำบุญใส่บาตรแล้วมีคนเดือดร้อนเสียใจเพราะอิจฉาเราเนื่องจากเขามีปมด้อยเราจะทำบุญให้น้อยกว่าเดิมเราก็ไม่ชอบตัวเองอีกเราควรทำอย่างไรกับคนขี้อิจฉา อ, อ๋อก็ต้องปล่อยเขาไปเป็น ธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนมะนาวมันก็ต้องเปรี้ยวใช่ไหมจะไปให้มันหวานได้ยังไงคนที่อิจฉาเขาก็ต้องอิจฉาไปตามธรรมชาติของเขาการทําบุญของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับทุกเขาเลยใช่ไหมเห็นเขาจะอิจฉาไม่อิจฉานี่มันไม่ใช่เรื่องของเราเห็นเราไม่ต้องไปสนใจเราก็ทําไปตามตามความต้องการของเราเราต้องการทํามากเราก็ทําไป ถ้าเราไม่ไปเอาเงินเขามาทำก็แล้วกันถ้าเป็นเงินของเขาของเราเองก็ไม่เป็นปัญหาเลยคำถามจากบนเขาจากคุณนิลวันหนูเป็นคาราวะา ต, ต้องประกอบอาชีพต้องทำงานอยู่ได้พยายามสวดมนต์ทุกวันและปฏิบัติธรรมเมื่อ มีโอกาสเอื้ออำนวยตอนนี้ผ่านไปแปดปีแล้วยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรคะหรือว่าไม่ค่อยได้ไปปฏิบัติที่วัดคะ อ, อก็ต้องทำให้มากขึ้นเหมือนกินข้าวชามเดียวกับกินข้าวสองชามนี่มันอิ่มมากอิ่มน้อยต่างกันเห็นถ้าอยากจะได้ผลมากก็ต้องทำมาก แล้วก็ต้องเลือกทำที่ที่ให้ประโยชน์ได้มากที่สุดถ้าทำที่บ้านกับทำที่วัดนี่ที่วัดน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเหมือนทำนาบนที่รุ่มกับทำนาบนที่ดอนทำนาบนเขานี่ปลูกข้าวไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ถ้าทำนาในที่ราบที่มีน้ำมีดินดีก็จะได้ผลมากกว่า อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆก็จะให้ผลมากน้อยต่างกันแล้วก็การปฏิบัติมากน้อยก็จะให้ผลต่างกันเห็นก็มีสองอย่างจะอยากได้ผลมากก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ต้องเลือกที่ที่จะทำให้เราได้ผลได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้น คำถามจากคุณสุปราณีถ้าเราใส่บาตร ท, ทาบุญสวดมนต์ไหว้พระและสามีปฏิบัติตามบอกว่าได้เห็นเราทําตามแบบนี้เขาจะได้บุญไหมคะ เ, เขาทําตามเขาก็ต้องได้เราทําอย่างนเรากินข้าวชามหนึ่งเขาตามเรากินชามหนึ่งเขาก็ต้องได้ความอิ่มเหมือนกับที่เราได้คําถามจากคุณพบ คุณแม่มีชอบบังคับลูกๆให้ทำตามในสิ่งที่ตัวเองคิดมาตลอดถ้าไม่ได้ดั่งใจก็จะดูด่าอย่างรุนแรงตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เรียนจบแล้วต้องกลับมาอยู่บ้านกับคุณแม่เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับบางทีก็อึดอัดมากก็ท่านต้องอยู่กับท่านก็บอยให้ท่านว่าไปพูดไปแล้วก็รับฟังไป แล้วเราจะทำหรือไม่ทำก็เรื่องของเราเราห้ามท่านพูดไม่ได้แต่ท่านก็ห้ามเราให้ทำไม่ได้อย่างน้ก็ต่างฝ่ายต่างอย่าห้ามกันก็แล้วกันแล้วก็ไม่ห้ามแม่พูดแม่อยากจะพูดอะไรก็พูดไปส่วนเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำของเราไปถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันอยู่คาถามจากคนเขตตะวัน สอนผู้ป่วยจิตเวช ส, สามารถสอนได้ไหมครับปฏิบัติอย่างไรครับก็ก็มีการสอนกันนะคนป่วยเขาก็สอนให้ฝึกสติให้รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ให้เขาหัดทําอะไรเองอย่างเงี้ยก็เป็นการฟื้นฟูสติคนที่เป็นโรคจิตก็คือคนโรคขาดสตินี่เง็นวิธีแก่ก็คือต้องหาวิธีให้เขาฝึกสติวิธีฝึกสติวิธีหนึ่งก็ให้เขาหัดทําอะไรเอง ทำเองไม่ได้ก็สอนเขาเพราะคนที่เป็นจิตเวะก็เหมือนเด็กทารกนี่ร่างกายเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจเขาเปนตกไปเป็นเหมือนเด็กทารกยังทํายังไม่มีสติสตังที่จะควบคุมการทําเคลื่อนไหวต่างๆทั้งของของใจของกายของวาจาได้ก็ต้อง ก็ต้องสอนให้เขามาหัดทำอะไรเองสอนให้เขาพูดสอนให้เขาอ่านหนังสือกอไก่ขอไข่อะไรไปเหมือนสอนเด็กอ่ะเป็นการฟื้นฟูให้เขามีสติฟื้นฟูกลับคืนขึ้นมาพอเขามีสติแล้วต่อไปเขาก็จะควบคุมจิตใจของเขาได้เขาก็จะทำให้จิตใจนะรับความคิดที่ทำให้เขาซึมเศร้าทำให้เขาเสียใจได้ นันเป็นการเรื่องของการไม่มีสติการเสียสติเ็าเรียกว่าคนบ้าไงคนไม่มีสติเ็าเรียกว่าคนบ้าถ้าเราต้องการฟื้นฟูคนบ้าก็ต้องฟื้นฟูที่สติเขาแต่มันก็ยากเพราะว่าคนไม่มีสติก็ไม่ค่อยจะรับรู้เรื่องการสั่งการสอนเท่าไหร่รับรู้แล้วก็ไม่จดไม่จำมันก็เป็นของที่ยากแต่ก็เป็นของที่ พยายามทำกันได้ก็ดีกว่าไม่ทำก็แล้วกันแต่ส่วนจะผลจะได้มากได้น้อยนี่ก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คนไข้ว่าเขาจะรับไปได้มากได้น้อยเขารับมาแล้วเขาจดจำได้หรือเปล่าทําตามที่เขาถูกสอนให้ทำได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมจดจำทำบับแล้วก็ลืมเดี๋ยวต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ มันก็เหมือนก้าวอยู่ที่เดิ ม, มก็อย่าไปท้อแท้ก็คิดว่ามันเป็นกรรมของเขาแล้วกันเราทำในส่วนของเราช่วยเขาส่วนเขาจะรับการช่วยเหลือของเราได้หรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเขาคำถามจากคุณสุบินอิถานนท์กราบขออนุญาตถามเมื่อวันครบรอบวรนตายแม่ลูกได้สังฆทานที่วัด และทำอาหารเลี้ยงคนประมาณหนึ่งร้อยคนอุทิศบุญให้แม่แต่มีคนเคยบวชห้าพันษาบอกจะอุทิศให้ได้ผลต้องถวายกับพระอาหารหันต์เท่านั้นจริงไหมเจ้าคะอ๋อไม่จริงหรอกการทำบุญนี้ทากับใครก็ได้บุญเพราะว่าเกิดจากการเสียสละของเราไม่ได้อยู่ที่ผู้รับผู้รับนี้จะให้บุญเพิ่มแต่บุญที่เกิดจากการทานี้ มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญที่เกิดจากการเสียสละของเราไม่ได้อยู่ที่ผู้รับเนี่ยบุญเพิ่มที่เราจะได้รับจากผู้รับก็คือธรรมะถ้าเราต้องการธรรมะมากๆเราก็ต้องไปทำกับผู้ที่มีธรรมะมากๆก็ทำกับพระพุทธเจ้าทำกับป้าหลานเราก็จะได้ฟังธรรมที่สูงที่มากกว่าพระที่ไม่มีธรรมะหรือมีน้อย นี่คือเรื่องของผลจากการจากผู้รับสิ่งที่เราจะได้รับจากผู้รับก็คือธรรมะทาบุญกับพระธรรมดาก็ได้หนึ่งเท่าทาบุญกับพระโสดาก็ได้สิบเท่าทาบุญกับพระสะกิรดาก็ได้ร้อยเท่าเพราะว่าพระแต่ละระดับนี้มีธรรมะมากน้อยต่างกันนั่นเอง แต่บุญที่ทําบุญที่เกิดจากการเสียสละนี้มากน้อยอยู่ที่เราเสียสละมากเสียสละน้อยทําบุญร้อยบาทก็ได้น้อยกว่าทําบุญพันบาททําบุญพันบาทก็ได้น้อยกว่าทําบุญหมื่นบาทเนี่ยอันนี้เป็นบุญที่เกิดจากการเสียสละไม่เกี่ยวกับผู้ผู้รับว่าจะเป็นใครทํากับหมาก็ได้เท่ากันทําบุญหมื่นบาททํากับหมาทาบุญกับผ้าละหันหมื่นบาทก็ได้เท่ากัน บุญที่ได้จากการเสียสละเท่ากันแต่บุญที่ได้จากหมากับพระอรหันต์นี้ไม่เท่ากันหมาก็เหาหมาหมามันก็สอนให้เราเหา่าพระอาลันก็สอนให้เรามีธรรมะมันก็ต่างกันตรงนั้นคำถามจากคุณแอนสักุระทำงานเวลาเครียดนอนไม่หลับ นั่งสมาธิก็คิดวนเวียนแต่เรื่องงานจะทำยังไงดีคะก็ปล่อยให้ใจคิดมันก็คิดเลยต้องหยุดคิดเต้องใช้พุทโธหยุดมันเวลาไม่ทำงานไม่ต้องใช้ความคิดถึงเรื่องงานก็ให้คิดพุทโธแทนพอจะคิดถึงเรื่องงานก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดนมนต์ไปภายในใจก็ได้มันก็จะหยุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำย่างไรถึงจะให้มันดาลืมเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ถูกกระทำได้เจ้าคะ่ะ เ, ออเรื่องของใจไปทําให้เขาไม่ได้หรอใจใครใจมันอใจเขาจะคิดถึงเรื่องอะไรเราไปห้ามไม่ได้ใจเราจะคิดอะไรเรายังห้ามใจเราไม่ได้แล้วเราไปห้ามใจคนอื่นได้อย่างไร วิธีที่จะห้ามใจเราก็คือต้องใช้สติหยุดมันเท่านั้นเองถ้าไม่มีสติก็หยุดมันไม่ได้ถ้าอยากจะให้แม่ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆก็สอนให้แม่สวดมนต์หให้แม่พุทโธไปเท่านั้นนี่อยู่ที่ว่าแม่เขาจะทําตามที่เราสอนหรือเปล่าะถ้าอยากให้แม่ไม่คิดถึงอดีตก็สอนให้แม่พุทโธพุทโธไปสอนให้แม่สวดมนต์ไปแล้วมันก็จะไม่มีเวลาไปคิดถึงอดีตะ คำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายจากป้าหวังค่ะขอขอโอกาสกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหลวงตามหาบวญนิพพานแล้วท่านยังมาสอนธรรมะแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้จิตเราคิดไปเองหรือเป็นเรื่องจริงคะ ถ้าเราไม่รู้ก็คงคิดไปเองเพราะว่าคนที่รู้เขาก็จะรู้ว่าเขาติดต่อกับกายทิพย์ได้หรือเปล่าติดต่อกับดวงวิญญาณได้หรือเปล่าคนที่ไม่มีพลังจิตจะติดต่อก็ส่วนใหญ่ก็คิดไปเององั้นถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าคิดไปเองถ้ารู้ก็ไม่ต้องมาถามเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด